สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเราวันนี้อยู่ในชุดเปเ ย, ยซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสองในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจ ะ, อะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการชิ้นประชนของพระเยซูเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการทรมานพระกายของพระเยซูว่าพวกเขาก่อนที่จะไปประหารโดยการตึงที่หางเขน ระเยซูอดหลับอดนอนมาทั้งคืนครับไม่ได้กินอาหารและต้องทนอยู่กับการไต่สวนอย่างดูหมิ่นย่อเ ย, อเยอ้ยถึงสองครั้งสองคราและถูกเคี่ยนด้วยแส้โรมันอย่างน้อยสามสิบเก้าทีนะครับจนหลังของพระองค์นี้แตกเป็นความตายที่เจ็บปวดอย่างยิ่งครับและเส้นประสาททุกๆเส้นในในร่างกายในเพาะร่างกายของพระองค์ก็จะกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานความตายของการตึงแมง เ, เขนนะครับ ดูเหมือนว่าจะรวมหมดทุกสิ่งที่น่าเสียดสยองน่าสะพึงกลัวน่าพรั่นพรึงของความเจ็บปวดและความตายนะครับมีคนที่จะพยายามที่จะสรุปว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการวิงเวียนหน้ามืดกับอย่างที่สองคือการเป็นตะคริวอย่างที่สามคือการความกระหายน้ำการดีไฮเดรตการสูญเสียน้ำในร่างกายอย่างที่สี่ก็คือความหิวโหย อย่างที่ห้าคือการอดหลับอดนอนอย่างที่หกก็คือไข้จากพิษบาดแผลที่ถูกเคี่ยนและอย่างที่เจ็ดก็คืออาการที่จะเป็นการชักนะครับและอย่างที่แปดก็คือความอัปอายอดสูที่ถูกประจานอย่างที่เก้าก็คือความละอายใจอย่างที่สิบก็คือการทนทรมานต่อเนื่องที่ยาวนานและอย่างที่สิบเอ็ด ก็คือความหวาดกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่สิบสองก็คือเนื้อที่ตายเน่าจากบาดแผลที่ไม่ได้เยียวยาที่มีแต่รอยแผลที่ถูกเคี้ยนตีกันซึมของเลือดต่างๆพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงจุดที่คนที่ถูกตึงอยู่นั้นทนไม่ไหวครับนะครับแต่ขีดความรุนแรงนั้นก็ยังไม่มากพอที่จะทาให้เขาสลบหรือหมดสตินะครับ ฉะนั้นความเจ็บปวดจึงไม่ได้บรรเทาครับเพราะว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาขณะที่เคลื่อนไหวนะครับในการหายใจเป็นท่าที่ผิดธรรมชาตินะครับเพราะว่าตัวเนี่ยห้อยอยู่บนแขนและแขนก็ห้อยอยู่บนตะ ป, ปูครับนะพ่อะอยู่ที่มือที่ปที่ตะ ป, ปูครับเส้นเลือดที่แตกยับและเส้นเอ็นที่บอบช้าก็จะกระตกครับจะสั่นละลิกด้วยความเจ็บปวดทรมานตลอดเวลาและแผลที่อักเสบอยู่จะทิ้งจะค่อยๆกลายเป็นเนื้อแน่วเพราะว่าเปื้อนครับ นะเบื้อนแล้วก็ติดเชื้อนะบวดบวมแดงร้อนครับเช่นโลหิตแดงโดยเพราะที่ศีรษะและท้องจะบวมเป่งเพราะเลือดข้างความทรมานแบบนี้ครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราผู้ที่รักเรามากที่สุดโปรง่งได้รับความทรมานแบบนี้ยิ่งไปกว่า น, นั้นครับจะเกิดความทุรนทุรายอย่างเหนือที่จะพนันนาได้เหลือที่จะทนทานได้เพราะกายน้ําปัญหาซับซ้อนนะครับทางด้าน ร่างกายในครับด้านกายภาพเนี่ยนะครับทําให้กัดกุ้มวุ่นวายกระบวนการวายตื้นตระหนกนะครับความตายที่กําลังมาเยือนอย่างค่อยๆเชื่องช้าคลืบคานเป็นความตายนั้นเป็นศัตรูที่เราไม่รู้จักครับที่เคยทําให้คนใกล้ตายกลัวจนตัวสั่นพี่น้องครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพระเยซูแต่พระเยซูไม่ได้กลัวความตายครับพระเยซูกับเดินเข้าหาความตายเพราะเหตุความรักที่โร่งให้กับเรานะครับในพระธรรมมาระโกครับ ได้ทําให้เราประหลดใจครับนะและทําให้เรารู้ว่าปีลาศก็ประหลัดใจเหมือนกันที่ได้ยินว่าพระเยซูเส้นพระชนเหมือนกับว่าพระเยซูทําไมถึงใจส่อครับทําไมถึงเส้นพระชนง่ายจังนะครับแต่ถ้าเราถอยนะครับกลับไปฟังเราก็จะเห็นว่าพระเยซูสิ้นพระชนจริงๆครับนะครับมาระโกเน้นว่าปีลาศได้สอบถามจากนายร้อยก่อนที่อนุญาตให้นําผ้าศพลงมาจากไม้กางเขน พี่น้องครับทหารนะครับที่เป็นเพชฌฆาเนี่ยย่อมคุ้นเคยกับอาการที่บ่งว่าคน น, านะคคนั้นตายแล้วนะครับคนนั้นตายแล้วและย่อมเห็นความตายที่เกิดขึ้นกับกับคนที่ถู ก, ถกตึงดังเข็มมาเยอะแยะนะครับมากมายมากนักต่อนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแน่ใจว่าพระเยซูตายจริงครับพี่น้องครับทฤษฎีที่ผมเคยนําเสนอครับก็พูดถึงเรื่องพระเยซูไม่ได้ตายแต่สลบในวันนี้ขอย้าอีกครั้งครับว่าพระเยซูตายจริงครับนะครับพระเยซูตายจริงเพชฌฆาทั้งสี่คน ได้มาตรวจสอบประสบของพระเยซูก่อนที่โยเซฟชาวอานิบาเทียจะได้รับอนุ ญ, ญาตให้นํำผัสศพออกไปได้พี่น้องครับเพชรค่าทั้งสี่ก็คือฐานโรมันนะครับเขาคุ้นเคยกับก า, การจัดการเรื่องความตายครับเพราะในพระเพียบบันทึกว่าเขาเนี่ยก็ไปทุบขาโจรที่อยู่สองข้างของพระเยซูนะการทุบขาทําให้โจนนั้นไม่สามารถที่จะอใช้ขานะครับพยุงร่างกายตัวเองขึ้นมาหายใจได้เพราะฉะนั้นคนที่ตึงถูกตึงมาเว่งเขนเขาตายนะครับ ถ้าเขายังไม่ตายเขาถูกทุบขาเพื่อให้ตายเร็วขึ้นนะครับถ้าก็ตายแล้วอย่างพระเยซูนะครับก็ไม่ต้องถูกทุบขาเหมือนกับที่พระมุนีพีได้บอกว่าพระอัฐิของพระองค์หมายความว่ากระดูกของพระองค์จะไม่หักแม้สักท่อนเดียวซักชิ้นเดียวเองนะครับนี่คือการพยากรณ์ถึงความตายว่าพระเยซูไม่ได้ถูกทุบขาครับถ้าถูกทุบขาพระองค์ก็จะตายเพราะว่าหายใจไม่ได้นะครับไม่มีแรงหรือว่าไม่สามารถที่ นำหรือเอาขาเอาแรงจากขานั้นยันตัวเองขึ้นมาหายใจที่รองครับเพชฌฆาตทั้งสี่รู้ครับแน่นอนว่าคนคนนั้นที่อยู่ตรึงไว้ในเขนั้นตายหรื อ, อยังนะครับหัวหน้าพวกเขาก็ดินเสียงร้องของพระเยซูก่อนเสียชีวิตของของพระเยซูเองนะครับและเป็นผู้รับรองกับปีลาสเจ้าเมืองว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนจริงๆครับนะแต่ปีลาสก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วเรียกนายร้อยมาถามเขาว่าตายแล้วหรือ นายแล้วว่าตายแน่นอนนะครับจอห์นสต็อดนะครับเขียนบอกว่าปีราตประหลดใจจริงๆที่ทราบว่าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วแต่คํายืนยันของนายร้อยก็ทําให้เขาแน่ใจจึงอนุ ญ, ญาตให้โยเซฟนะครับชาวอาริมาเทียนําพระศพลงมาจากไม้กางเกนได้นะคกับชาวยิวเองก็เชื่อว่าพระเยซูทรสงสิ้นพระชนจริงๆนะครับนะครับเพราะว่ามัทธิวซึ่งเป็นคนยิวนะครับได้เล่าถึงการที่การการเล่าถึงการเฝ้าอุโมงฝังศพของพระเยซู นะพี่น้องครับหลังจากที่คนเหล่านั้นนำพระศพลงมาจากไม้ยังเขนเอาไปฝังไว้ที่อุโมงค์นะครับแน่ใจเลยครับว่าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วไม่มีไม่มีสัญญาณชีพหลงเหลืออยู่กันในพระกายเลยนะครับนะสาเหตุที่ทําให้พระเยซูสิ้นพระชนมีศาสตาจารย์ท่านหนึ่งชื่อศาสตาจารย์ซาสตาจารย์ดรอครับนะนะเขาบอกว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพราะ สาเหตุหัวใจแตกนะครับเนื่องจากความทุกข์ทรมาณไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายหรือหมดกําลังจากการถูกจึงกังเขนนะครับด้วยเห็นได้ชัดกันอยู่แล้วว่าขณะสิ้นพระชนพระองค์ยังเกอบไปด้วยพลังกายพลังใจและทวนของทหารที่แทงสีข้างนะครับหอกนะครับที่แทงสีข้างของพระองค์ก็เป็นเครื่องแสดงให้โลกรู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนและสิ้นพระชนจริงๆครับนะสิ้นพระชนเพราะอะไรครับเพราะว่าเยื่อหุ้มหัวใจแตกครับ เนีเพราะเหตุที่ว่าทวนหรือหอกเนี่ยทิ่มเข้าไปถึงบริเวณนั้นนักศิลยวิทยาผู้ยิ่งใหญ่นะครับในอเมริกาเนี่ยชื่อแซมมี่ฮูสตันนะครับแซมมี่ฮุสตันได้กล่าวถึงสาเหตุทางร่างกายครับที่พระเยซูสิ้นพชนเขาข่าวว่างี้ครับว่าพระเยซูสิ้นพระชนก่อนครับก่อนที่ทหารจะใช้ทวนแทงสีข้างของพระองค์ถามว่าทํำไมพระเยซูสิ้นพระชนก่อนก่อนนะครับ ก่อนที่ฐานจะใช้ทวนหรือหอกแทงสีข้างเพราะเนื่องจากว่ายอนครับท่านได้บันทึกว่าท่านเห็นโลหิตกับน้ําไหลออกมานี่เป็นปรากฏการธรรมชาติครับที่อธิบายว่าพระเยซูตายพี่น้องครับยอนนะครับเห็นเพราะเนื่องจากยอนนั้นอยู่ที่ใต้ไม้กางเขนแล้วครับอยู่ใกล้ๆ ก, การสิ้นพระชนของพระองค์และเห็นเป็นพยานนะครับด้วยตาหรือที่เรียกว่า eye witness เป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์จริงครับนะครับ เขาเน้นว่าสิ่งที่บันทึกเขานั้นเที่ยงตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราจะมาดูกันครับวันนี้ว่าการที่นักศิรีวัลวิทยานะครับเขาทําการทดลองกับสัตว์นะครับสัตว์ที่ตายแล้วนะครับด้วยมีดขนาดเท่ากันกันกบทวนของฐานโลมันปรากฏว่ามี ม, มีมันมีผลแตกต่างกันนะครับเป็นกรณีกรณีพี่น้องลองฟังดูนะครับในบางกรณีนะครับ ไม่มีอะไรไหลออกมาเลยนอกจากมีเลือดหยดออกมาเล็กน้อยนะครับกรณีที่สองก็คือว่ามีเลือดนะครับหยดออกมาไหลออกมาอย่างเดียวมากมายครับกรณีที่สามก็คือมีน้ําไหลออกมาอย่างเดียวและมีเลือดหยดตามออกมาไม่กี่หยดจากสามกรณีนะครับก็จะพบกรณีแรกบ่อยที่สุดเลยครับก็คือว่าไม่มีอะไรออกมานะครับเอามีดนะครับขนาดถ้าเท่ากับทวนโลมันแทงเข้าไปที่สีข้างของสัตว์ที่ตายแล้วไม่มีอะไรไหลครับ นะครับไม่มีอะไรแล้ลออกมานะแต่ในชารกรณีเนี่ยครับปรากฏว่าไม่ตรงกับที่ยอนเห็นครับเพราะย้อนเนี่ยนะครับเห็นอีกอย่างหนึ่งย้อนเห็นว่ามีโลหิตกับน้ำไหลออกมาโลหิตก่อนแล้วตามด้วยน้ํำเห็นไหมครับพี่น้องครับแสดงว่ามันจะต้องเกิดอะไรบางอย่างกับพระเยซูพี่น้องลองฟังต่อนะครับในกรณีที่สี่ครับ นะครับแทงแบบเดียวกันนะครับหนึ่งสองสามกรณที่สี่มีน้ําไหลออกมามากแล้วก็เลือดจํานวนมากไหลออกมาทางบาดแผลกรณีที่ห้าก็คือว่ามีเลือดไหลออกมามากแล้วก็น้ำำนําจํานวนมากไหลออกมากพียงเท่ครับคนที่ตายเพราะถูกตึงไม้กาเขนนะครับจะมีสภาวะเลือดข้างในปอดเหมือนกับคนจมน้ําตายนะครับหรือกินยาพิษตายกรณีที่สี่นั้นเกิดขึ้นกับคนที่ถูกตึงมนไม้กาเขนเขาเนี่ยครับเคยเป็นโรคปอดมาก่อนเป็นโรคเยื่อหุ้มปอดที่มีน้ําข้างมาก่อน ส่วนกรณีที่ห้านะครับกรณีที่ผู้ตายถูกเตืองเข็นและหัวใจแตกครับหัวใจแตกก็คือว่าเลือดเยื่อหุ้มหัวใจแตกครับจากประวัติของพระเยซูเราเห็นชัดเจนครับนะครับพระองค์ไม่เคยหรือเราไม่รู้ครับว่าพระเยซูนั้นเป็นโรคเลือเยื่อหุ้มปอดเสด็มาก่อนหรือเปล่านะครับแต่กรณีที่มีเลือดไหลมาก่อนแล้วจะมีน้ําไหลแสดงว่าอยู่ในกรณีที่ห้าครับนะฮะแสดงว่าบันทึกนะครับ ที่ย้อนได้บันทึกไว้นะครับเป็นไม่ได้เลยนอกจากพระเยซูสิ้นพระชนแล้วและพระเยซูหัวใจแตกนะครับเขาทํากับอแทงเข้าไปให้ถึงเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจแตกนะครับก็จะมีเลือดไหลออกมาแล้วก็น้ํำตามมาพี่นะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าและเป็นเรื่องสําคัญมากครับว่าพระเยซูสิ้นพระชนจริงๆขอพระยาช่วยเรานะครับในการที่เราจะสามารถที่จะโต้แย้งและปกป้องความเชื่อของเราได้ นะครับร่มทีบอกว่าโลหิตกับน้ำจากแผลที่ถูกแทงเป็นนะครับเป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่าพระเยซูสิ้นมระชนไปอย่างแน่นอนสิ้นพระชนไปก่อนแล้วขอพระเจ้าช่วยครับให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้เพื่อที่เราจะเป็นพยานและมีความมั่นใจในหลักข้อเชื่อของเราอาเมน